จเจริญพรนะทุกจ้างสามสี่เดือนมาเจอกันครั้งหนึ่งก็พอดีพอดีนะสมัยก่อนหลวงพ่อไปกลับครูบาอจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณสามเดือนครั้งหนึ่งปีหนึ่งไปได้สี่ครั้งเป็นขราชการนรอวัดหยุดไปได้ช่วงมาฆะวิส า, าขะช่วงนี้ข้าพันศานะก็ช่วงวันเฉลิม กนสามสี่เดือนเนีจะไปหาครูบาอาจารย์ไปชาร์จพลังคือเข้าใกล้ท่านใจเราก็จะตื่นตัวในการปฏิบัติพอ ห, àng, ห àng, ่างๆมาบางทีก็เฉยเหมือนกันอยู่กับโลกจะทำให้ต่อเนื่องตลอดเวลานะีมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันบางช่วงเราก็มีเรื่องวุ่นวายมากมายนะงานมากหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่หลวงพ่อไม่เคยทิ้งการปฏิบัติ แต่ในแต่ไรมาแนละ้วแต่ละเดือนเนจะออกไปกลับครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะไปโค ร, ราชหลงพอพุธอยู่โค ร, ราชแล้วก็มาเอื่นๆเนี่ยจะคอยดูครูบาอาจารย์มาเทศในกรุงเทพก็ไปฟังฟังเทศท่านนะไปได้เห็นท่านนะก็ใจมันก็มีกำลังขึ้นมา นึกดูทำัยก่อนท่านก็คงลําบากเหมือนกันเพท่านก็เคยเล่าแต่ละองค์ล้มลุกคลุกคลานมาทุกองลําบากกว่าจะได้ธรรมะนีพอได้ธรรมะแล้วแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านอยู่มาจนแก่จนเต่าดูท่านมีความสุขมันไม่เหมือนคนทางโลกคนในโลกนะ้ำแก่เต่าแล้วดูเฉาดูเหี่ยวแห้ง ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยอะไรเงี้ยลำบากไม่มีความสุขไม่มีความอบอุ่นครูบาอาจารย์ท่านภาวนางท่านดูท่านมีความสุขดูท่านมีความอบอุ่นดูท่านมีความมั่นใจอย่างชาวโลกนะีดูแล้วไม่มีความมั่นใจเลยไม่มีความแน่นอนแต่ละคนก็จะกังวลว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงครูบาอาจารย์ ท่านดูมีความสุขเมื่อท่านอยู่กับปัจจุบันได้แล้วแต่ก่อนที่ท่านจะมามีความสุขท่านก็ลําบากเหมือนพวกเรานี่แหละกิเลสไม่เข้าใครออกใครหรอกก็ต้องต่อสู้มาทุกองคทุกองพอไปเห็นท่านเราก็ตั้งใจว่าเราต้องดีอย่างท่านให้ได้ต้องมีความสุขอย่างท่านให้ได้ทําไงจิตใจจะเหมือนท่าน ก็คอยดูท่านปฏิบัติยังไงท่านสอนอะไรแล้วก็อามาทําแต่หลวงพ่อรู้จักเลือกครูบาอาจารณ์นะรู้จักเลือกเข้าไปหาแต่ละองค์แต่ละองค์งที่เข้าไปเรียนด้วยนะีครูบาอาจารย์ดีๆทั้งนั้นเลยไม่เฉพาะในสายวัดป่านอกสายวัดป่าก็เข้าไปไปอย่างครูบาพรห ม, มาจักอะไรนะทางเหนือท่านก็เก่งของท่านท่านก็ดีแต่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะสอนลงที่เดียวกันหมดเลย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 ก็ลกลับมารู้ลมหายใจจิมก็เข้าฐานเข้ามาที่เดียวกันคือท้ายก็มาเจริญปัญญาด้วยการดูจิต ด, ดูใจตัวเองพวกเราภาวนานะเราอยามาตามหลวงพ่ อ, อยังหลวงพ่อทําสมถะด้วยอาณาปณะสติเจริญปัญญาเนี่ยโดยใช้จิตตานุปัสสนาพวกเราไม่จําเป็นต้องเหมือนหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะคือหลักของการปฏิบัติเราก็ต้องไปดูตัวเราเอง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 ท่านมีแต่สอนหลักของการปฏิบัติให้แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปบอกโน่นโคนไม้ในเรือนว่างในภูเขานี่ถ้าแยกย้ายกันไปแยกย้ายแล้วก็ไปเร่งความเพียรของตัวเองแต่ละคนก็ดูตัวเองว่าควรจะกรรมฐานอะไรอย่างหลวงพ่อทำอนาปนสติหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าลูกศิต้องทมอานาปนสติบางคนไม่เหมาะกับอานาปนสติทํำไม่ได้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 การที่เราคอยรู้ทันจิตเราพุทโธเป็นแบ็คกราวไว้ตัวหลักที่จะรู้คือจิตตัวหลักที่จะรู้คือจิตงั้นเราพุทโธไปจิตมีความสุขเราก็รู้พุทโธไปจิตมีความทุกข์เราก็รู้พุทโธไปจิตสงบเราก็รู้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านเราก็รู้นี่ยอย่างนี้นานๆไปเราก็จะเห็นว่าจิตที่สงบอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่ฟุ้งซ่านอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย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 เป็นไม่แค่พุโทโธอย่างเดียวนะถ้าเราทําเป็นนะมันได้ทางสมถะทางวิปัสนาแต่วิปนะัสนานั้นเราดูอะไรเราไม่ได้ดูพุโทโธเราดูจิตถ้าเราใช้ลมหายใจละ่ะได้ทางสมถะทางวิปัสนาไหมก็ได้อย่าเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยเอยเน้นที่ความรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กันเนียวกับตัวไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนี้เป็นสมถะ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 มีสติรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปไหลามานั่นแหละะสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลวงพ่อรู้จักครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อเทียนองคหนึ่งนะคือหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อคำเขียนนะ่ะพ่อน่าเก่งแล้วท่านเล่าเองเลยบอกว่าท่านไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนเนะี่ยเรื่องสิบสี่จังหวะอะไรเนะี่ยมาทีหลังหรอกตัวสําคัญคือสติถ้าว่าังงี้นะถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญา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 แล้วท่านก็ทิ้งไปไปฝึกอารามณูปนิชานฝึกเพ่งอารมณ์การูศีแล้วท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทาง้วท่านก็นึกถึงตอนเด็กๆได้นะท่านก็ทำลัคนูปนิชานขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาต่อดงั้นอย่างเราถ้าเราทําจังหวะนะเคลื่อนไหวไปเนี่ยอย่าเน้นที่ตัวจังหวะให้เน้นที่ความรู้สึกตัวหัวใจหนีไปคิดเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วรู้ทัน ใจไหลเพยงอยู่ที่มือนิ่งๆแลสงบอย่างเดียวซื่อบื้ออยู่งั้นให้รู้ทันรู้ทันจิตที่ไหลไว้จะได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วถ้าจะเจริญปัญญาทำไงจเจริญปัญญาด้วยการขยับมือได้ไหมได้มันอยู่ในสติปัฏฐานในหมวดที่เรียกว่ า, าสัมปชัญญะบัพภะีาสัมปชัญญะบัพภะเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกนั้นเราเคลื่อนไหว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 สุขจิตทุกขจิตดีจิ ต, จตชัว่วก็เห็นว่าจิตไม่เตี่ยงจิตบังคับไม่ได้นะเห็นนั่นเป็นวิปัสสนารู้ลมหายใจไปถ้าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิแบบแรกคือเรียกว่าอารามณูปนิชานอารามณูปนิชานคือสมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะได้ความสงบเฉยๆแต่ถ้าเรารู้ทันนะหายใจไปแล้วจิตหนีเรารู้จิตนี้เรารู้ห น, รรนีได้สองแบบหนีวิคิดกันหนีไปเพ่ง เพ่งอะไรก็เพ่งลมหายใจนั่นแหละถ้ารู้ทั น, นก็จะได้รักขณูณ น, น, นิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วถ้าจะเดินปัญญาทําไงก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังไงก็หายใจร่างกายมันก็เพิ่มกับเพิ่มนะที่หลวงพ่อสอนพวกเราว่าเวลารู้ลมหายใจอย่าไปจ้องที่ตัวลมหายใจอย่างเดียวจะจ้องใส่ลมหายใจมันจะเป็นรู้สอารัมมณูปนิชาติให้เห็นร่างกายหายใจนั้นมันจะต่อขึ้นปัญญาได้เลย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 ถ้าเราเห็นท้องฟองท้องยุบนะแล้วเราคอยรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตี่จะไม่ไหลจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้รักขณูปนิชฌานะพอเรามีรักขณูปนิชฌานแล้วเราเห็นร่างกายพองร่างกายยุบอย่าไปดูที่ท้องนะดูเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบเหมือนที่บอกว่าอย่าไปดูที่ลมหายใจ ให้เห็นร่างกายมันหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกสบายๆรู้สึกตั้งตัวนี่แหละเห็นได้ร่างกายมันพองร่างกายมายุกใจเป็นคนดูขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกขึ้มร่างกายที่พองที่ยุกอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะมีการหมายรู้ที่ถูกขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราหรอกแล้วมันก็มีความทุ่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะท้องพองกระทุกนะท้องยุกระทุกนะแล้วเห็นทุกเห็นอนัตตา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 นะเดี๋ยวก็ไหลไปคิดเดี๋ยวก็ไหลไปดูโอ้มันไม่เที่ยงนะจิตมันไม่ทรงตัวอยู่เฉ ย, ยๆหรอกไม่ได้เป็นผู้รู้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปเพ่งนะเดี๋ยวก็สูดเดี๋ยวก็ทุก์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดนะไม่ใช่ตัวเรามันเป็นไปเองสั่งมันไม่ได้อนนี้คือการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะั้นดูจิตก็ได้เหมือนกัน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 ถ้าใช้ถูกเนี่ยก็จะได้รักขโรปนิชานจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแล้วก็เดินปัญญาเห็นรูปเห็นนามทํางานไปในนี้พอไหวไหมแล้ที่สำคัญคือหลักของการปฏิบัตินะที่สำคัญไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่ว่าจะต้องขยับมือกี่จังหวะขยับมือ14จังหวะดีกว่า16จังหวะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วแต่ความถนัดหลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนะ เห็นหลวงพ่อเตียนสอนคารวะอยู่ตอนนั้นท่านไม่ได้สอนพระมีคารวะมานั่งเรียนศาลาท่านเป็นไม้หอมผอมนะแคบแคนั่งแคบแคบเนี่ยท่านก็ขยับไปพูดไปเออพระออหลวงพ่อเตียนนี่เข้าท่านะหลวงพเตียนขยับนะพูดไปพูดไปเนี่ยจิตไม่หลงไม่ไหลนะจิตรู้ตื่นเบิกบานสบายสบายแต่พวกที่ไปฝึกกับท่านนีพวกนึงก็เพ่งใส่มือไว้จิตไปอยู่ที่มือ นะทําถูกสวยเป๊ะเลยปล่าเพียงอยู่เท่านั้นเลยอีกพวกหนึ่งขยับไปขยับจนกระทั่งไขสันหลังเนี่ยมันทํางานได้แล้วนะขยับเองโน่นหนีไปนอกวัดแล้วใจอะหนีไปแล้วหนีไปที่อื่นแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะเนั่นไม่ใช่วิธีไหนดีไม่ดีนะหลวงพ่อก็ลองบ้างแอบดูท่านเออจิตท่านดีเราก็ลองมาขยับบ้างไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในวัดท่านนั่นแหละมาขยับนะสิบสี่จังหวะของท่านมา ขยับไปขยับมามันไม่ถูกจริตหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตอะไรที่ลุงรังมากๆเนี่ยทนไม่ได้อะไรวะนั่นสิบสีจังหวะนะยังกจะตบยุงตบตรงโน้นตบตรงนี้นะวุ่นวายไปหมดเลยไปไปมามมือตัตีกันเองนะชักลำคาญเนาะมีทีนี้ไม่เหมาะกับเราเอานิดเดียวนะเอาแค่นี้แค่นี้นะจริงก็ตื่นพลงขึ้นมาเฮ้ยมันก็เหมือนกันเลยนะก็เหลืออยู่จังหวะแค่นี้สองจังหวะใช่ไหมแบกกรรมแบกกรรม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 อย่าสมมติว่าเราเห็นเพื่อนเรานะเขารู้ลมหายใจแล้วจิตเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาแยกธาตุแยกขันได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเราก็อยากเอาอย่างเขาหายใจเข้าไปนั้นแน่นอึดเลยอดทนไว้อดทนไว้ไหนจะได้เป็นอย่างเขาอย่างนี้เรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยกนะทําตัวเองให้ลําบากงั้นคำ ว, ว่าอัตตะกิลมัฐานุโยคเนี่ยสําหรับคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน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 ทางใครทางมันนะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวมากกว่ากันหรอกถ้าทาถูกก็ใช้ได้เหมือนเหมือนกันถ้าทาผิดก็ผิดเหมือนเหมือนกันนะยังมาดูจิตดูใจผิดได้ไหมดูจิตก็ผิดเยอนะไม่ใช่ไม่ผิดทำมาว่าดูจิตดูจิตเนี่ยไปคุยหวดคนน้นคนนี้ว่าฉันดูจิตดูจิตที่จริงไม่ได้ดูจิตหรอกที่จริงเพ่งจิตไม่ได้ดูดูหมายถึงไงอย่างเราดูหนังใช่มเราไม่ได้เพ่งหนัง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 ส่วนใหญ่นี่มันจะไปค้างอยู่ข้างนอกถ้าไปค้างอยู่ข้างนอกนะนนกนะจิตไปติดโอภาษติดความว่างความสว่างเป็นวิปัสนูตัวหนึ่งนะไม่เดินปัญญาหรอกตัวนี้ที่หลวงตามหาบัวท่านบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อดูไม่ถึงจิตแล้วดูไม่ถึงจิตว่าอะไรจิตไปอยู่ข้างนอกนะั่นอีกพวกหนึ่งนะเข้าไปอยู่ข้างในไปว่างอยู่ข้างในสอนกันด้วยนะสอนดูจิตดูจิตเนะี่ยสอนกันบอกว่าให้รักษาจิต อยู่ภายในนี่รันดอนให้รักษาจิตให้ว่างๆถ้าความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งไอ้นั่นเปนขั้นของสมถะเบื้องต้นหรอกทําอารามณูนปนิชานเท่านั้นเองนะแต่ถ้าจะเติอนปัญญาต่อแล้วความคิดเกิดแล้วปัดแล้วจิตก็ว่างอยู่ข้างในนี่รันดอนบอกนี่คือพระอรหันต์พระอรหันต์จริงๆไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในนะถ้ายังเอาจิตไปไว้ข้างในมันก็ยังมีจิตที่คู่กันคือจิตที่อยู่ข้างนอกถ้ามีในมีนอกไม่ใช่ของจริง หลกงพ่านะเคยผิดมาทุกอย่างเลยนะเคยว่าทุกอย่างมันก็มากไปนะเอาว่าผิดมาเยอะเลยมันจะทุกอย่างหรือเปล่าตัดสินไม่ได้เราไม่ใช่พุทธเจ้านะพุทธเจ้าท่านรู้จริงรู้ได้ทั่วทวนทุกอย่างเรากพ่อรู้ได้ไม่เท่าอย่างนั้นหรอกได้นิดเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่เคยผิดมาแล้วยังไปว่างอยู่ข้างหน้าก็เคยผิดนะเคยเข้าไปว่างอยู่ข้างในนะรักษาให้ว่างๆสุดท้ายก็พบว่ามันก็คือพบพบหนึ่ง มันก็คือพบพบหนึ่งพบว่างนะนก็ตกเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอาเนนชาที่สังข า, ารความปลุงแต่งว่างนะปลูงแต่งที่จะหนีการกระทบอารมณ์ใช้ไม่ได้อีกนั่ น, ะนส่งจิตไปว่างอยู่ข้างนอกก็ใช้ไม่ได้นะมาว่างอยู่ข้างในก็ใช้ไม่ได้หรือบางทีส่งเข้าไปค้นคว้าข้างในก็ยังใช้ไม่ได้นะหลวงพ่อเคยทํำนะที่ทําผิดคราวหนึ่ง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 เราไม่ปล่อยมันตามดูเรื่อยไปตั้งใจไว้เลยมึงจะไปถึงบาดาลนไปเจอพญานาคก็จะไปแล้ววันเนี้ยถึงไหนถึงกันลักลึกๆก็กกกไปหายแวบไปอ้าวหายไปแล้วเหมือนก็ลงไปอยู่ในอุโมงแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะหายไปเอาใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาอยู่ข้างนอกใหม่เดี๋ยวพอกิเลสมันขึ้นมาเราก็ดูอีกโหดๆๆลงไปอีกจะไปหาต้นต่อของกิเลสพอเข้าไปแล้วมันก็หายไปอีกดูอยู่อยนอยู่พักหนึ่งนะ บนบนะไปเจอโลกุสิมเขาไปสัมมนาที่เชียงใหม่ขึ้นไปขํามผาปล่องพอท่านเห็นหน้าท่านก็กวักมือเลยยังไม่ทันส่งกันบ้านเลยท่านตรวจกันบ้านเรียบร้อยแล้วผู้รู้ผู้รู้กับมือเรียกแล้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกนี่บอกอย่างนี้เลยนะรู้ว่าเราเข้าไปหากิเลสข้างในว่าผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกเอาแล้วสิ หลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าออกนอกโลกงปู่สิมบอกอย่าอยู่ข้างในแล้วกู่จะอยู่ที่ไหนวะถ้าะจะอยู่ที่ไหนต้องหาที่อยู่ให้ได้ใช่ไหมว่าจิตเราอย่างติดภพอยู่มันต้องมีที่อยู่อ๋อโลวงปู่เทสบอกว่าต้องอยู่กลางๆผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นรักษาไว้ตรงกลางรักษาจิตไว้กลางๆนะนี่นมันก็ไม่ไปไหนมันก็กลางก็ว่างๆอยู่นะแต่ไม่ได้ออกข้างนอกไม่ได้เข้าข้างใน ว่างๆอยู่ตรงกลางอีกนะเนี่ยหรือกลางนี่มีความหมายอย่างอื่นอีกสังเกตดูจิตกับผู้รู้ไหเป็นของคู่กันบางทีจิตเราก็ส่งไปที่อารมณ์ไอ้จิตกับจิตคือตัวผู้รู้่จิตกับอารมณ์อะเป็นของคู่กันทีจิตก็ไหลไปที่อารมณ์บางทีจิตก็ย้อนมาดูที่จิตอยู่กลางๆเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางระหว่างจิตกับอารมณ์ดูสิคนกว่ามากนะอะไรที่ผิดที่ผิ ด, ผดะที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกนะทําหมดเลย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 นะเนี่ยทางสายกลางแล้วนะว่างฟึบลงไปนะโลกธาตุดับนะความรู้สึกเหลือแต่ความรู้สึกอยู่อันเดียวไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเลยนี่ละวา่านิพานแต่ตรงที่ว่านี่ละว่านิพานเนี่ยตอนออกจากไอ้ตัวนี้มาแล้วนะตอนที่รูดออกมาแล้วเล่นไปเล่นมาอยู่ช่วงหนึ่งไม่ใช่ไปเข้าไปอยู่ตรงนี้ออกมาแล้วกิเลสก็เหมือนเดิมอีกนะใช้ไม่ได้หรอกก็ไปเจอโลวงพุธทธ ไปกลับเรียนท่านหลวงปู่ครับเนี่ยผมไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้นะจิตรวมลงตรงกลางผมว่ามันเป็นสมถะนะหลวงปู่ก็บอกเป็นสมาธิเปสมาธิอย่างหนึ่งไปหัดเล่นให้ชานาญนะทงนา น, นะาานี้สมาธิอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วในยุคนี้ไปเล่นสมาธิให้ได้ทุกๆอย่างนะเล่นพลิกแพลงไปสมาธิเนี่ยเล่นให้ได้ยอบอกท่านหลวงปู่ผมกลัวติด เรารู้ว่าเป็นสมาธิเราพมกลัวติดนะท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวถ้าติดนะอัตมาตจะแก้ให้เองท่านว่าอย่างนี้นะเราก็ฮึเ่เกิมติดครูบาอาจารย์ให้ท้ายนะเล่นใจเล่นเล่นสักจำนี้ำนานนะวันหนึ่งเราไปเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์ไม่รู้จักท่านเลยนะเดิไปหาอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมอาจารย์บุญจันทะร์ะให้พระมาตักเรียกหลวงพ่อไปหาพอไปถึงถึงไปกราบท่านนะ ท่านดุเอาท่านถามว่าไภ า, าวานาอย่างไรเราก็เล่าให้ท่านฟังเนี่ยไม่จับอันโน้นไม่จับอันนี้นะ่ะเข้าสู่ทางสายกลางเลยเยในใจอยากจะบอกว่าเข้านิพพานเพราะตรงนั้นอ่ะไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอะไรเลยนะออมีแต่ธรรมชาติรู้มีแต่ธาตุรู้อยู่อันเดียวนี่แหละนิพพานในใจอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกท่านนะก็ถุกดา่านะท่านด่าจริงๆด้วยขานาดไม่ได้บอกนะ ท่านตะคอกเราบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกว่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกยังมีการเข้าไปสู่ตรงนี้ใช่ไหมมีการออกมานั้นถ้าอะไรที่อยากเป็นคู่คูๆนะไม่ใช่ของจริงหรอกไปรักษาจิตไว้ข้างในมันก็ยังมีคู่กับข้างนอกออกข้างนอกมันก็มีคู่อยู่กับข้างในนะกนาดออกตรงกลางยังมีเข้ามีออกอีกก็เป็นคู่อีกโดนท่านตะคอกแล้วท่านก็ถามไงจะภาวนาไงอีก เราก็นึกว่าท่านฟังของเราไม่ออกธรรมะของเราชั้นสูงมากนะที่จริงไม่ได้นึกอย่างเนี้ย น, นี้มุกนะที่จริงไอ้คิดว่าท่านเป็นคนต่างจังหวัดฟังสำเนียงเราไม่ออกมังเน้เวพูดใหม่อีกรอบหนึ่งคิดอย่างนี้นะพอพูดครั้งที่สองนะตะหวาดดังกว่าเก่าอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกตั้งแต่นั้นนะ่ะจิตมันทิ้งเลย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 ลมหายใจหรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้ทันรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปมาจะได้สมาธิต่อไปก็เห็นร่างกายเหมันหายใจของมันนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ก็เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอึปวดฉี่ร่างกายนี้มีแต่ของทุก์มีแต่ก้อนทุกแล้วไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุใจเราเป็นคนดู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 เขไม่มโมโหนะบางทีครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้มโมโหนะมีเหมือนกันบางคนนึกว่าได้ธรรมะบอกดิฉันไม่มีความโกรธแล้วมีระดับพระอนาคาคาเลยดิฉันไม่มีความโกรธแล้วท่านสวนเลยอีต่อแหล <c oughs> เท่านั้นนะต่อพื้นเปรี้ยงลุกเลยช้าปากจัดอย่างนี้ไม่นับถืออีกแล้วเดินโป้งโป้งโ้ออกไปออกไปนอกวันแล้วนึกได้ว่าไอ้นี่โกรธนะท่านใช้วิธีนี้เหมือนกันนะบางทีท่านดา่า หลวงปู่ดูลย์ก็เคยมีพระองค์หนึ่งท่านคิดว่าท่านเป็นพระอระหันต์นะแก้ไงเขาแก้ไม่ตกแก้อยู่หลายวันนะสุดท้ายหลวงปู่ดูลย์ใช้ไม้ตายไอสัตว์นรกไปพน้นสัตว์นรกโอ้ยพระอระหันต์นะโกรธขึ้นมาเลยคนะว้าได้ไม่กวาดนะขึ้นพาดบ่านึกว่าเป็นโกรธนะเดินออกไปจากวัด น, นะเดินไปสามกิโลนะแล้วนึกได้ว่าโกรธขึ้นมานะตายแล้วไม่ใช่พระอระหันต์นะแล้วก็เข้าไปหานะ หลวงปู่โชตลูกศิษย์หลวงปู่ดูลผู้ใหญ่อกองแล้วก็พากันมาขอขมาท่านไม่กล้ามาคนเดียวมัหลวงปู่ไม่ว่าอะไรหรอกนะที่จริงก็คือภาวนาแล้วมันพลาดนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราภาวนานะเราเรารู้สึกว่าเจ๋งแน่แล้วว่ารอบเนี้ใช้สังเกตเอานะพยายามสังเกตตัวเองหลวงพ่อนั้นไม่ค่อยอยากบอกหรอกพอดีบอกให้แก้ให้นะโกรธเราก็มีนะมีพระวางองค์เนี่ยโอ้ยบรรลุโสดามานแะล้ว ผมได้โสดาละ่ะคนโน้นรับรองคนนี้รับรองหลวงพ่อจะว่ายังไงหลวงพ่อรับรองไม่ได้หรอกหลวงพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไปดูสิว่ามีตัวมีตนไหมไม่มีผมดูมาตั้งนานแล้วไม่มีหูตานี่อย่างนี้เลยนะ <c oughs> เราโอ้น่ากลัวเว้ย <c oughs> เอเอท่านท่านท่านว่าไม่มีแต่ผมว่ามันน่าจะมีนะครับนั้นก็โกรธเลยอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉนั้น ช่วยตัวเองให้มากหน่อยจะได้ลดความเสี่ยงที่จะกรดหลวงพ่อนะสังเกตเอาใช้ความสังเกตเอาอะไรอะไสู้สังเกตไม่ได้อย่าไปเข้าข้างตัวเองหลวงพ่อก็เห็นใจนะเราภาวนาเราก็อยากได้มากผลทุกคนเลยใช่ไหมถ้าไม่คิดว่ามากผลมีจริงพิภาวนาหาสวรรค์วิมานเลยก็ถูกนะภาวนาเอาสวรรค์เอาวิมานนะก็ไม่มีมากผลนี่เราก็คิดว่ามากผลนิพพานมันมีเราก็อยากจะได้อยากจะได้มันก็มีการลุ้นใช่ไหม มีการลุ้นบางที่นะพวกเราระมั่นระวังนิดหนึ่งบางที่เข้าไปนะไปพาวนากับเขาเราอาทิตย์เดียวเขาก็ให้โซดาแล้วไปถือได้สองอาทิตย์นั้นก็ได้สกทาขาเลื่อนให้ด้วยเด้ยนะพอเป็นพระอรหันต์แล้ววันหลังกิเลสเกิดนะลดลงมาเป็นโสดาใหม่นะอย่างเนี้โอ้ยเราก็จะปลืม้มมีเงินมีทองก็ทูนหัวให้เขานะพอเราปลื้มแล้วเราได้เป็นพระริยะต้องไม่เห็นแก่ตัวละมีเงินเราเอาไปให้อาจารย์ให้หมดเลยนะ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 ถ้าทำแล้วรู้ฐานจิตที่เคลื่อนก็ได้สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเรียกได้รัคขณูป น, นิชฌานแล้วก็จะแยกรูปนามออกมานะเห็นรูปประธรรมเห็นนามประธรรมา ท, ำทำงานไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปเป็นอนัตตาใช้ได้เหมือนกันหมด น, นี้พอภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกบรรลุแล้วก็มาทดสอบตัวเองนะหลภาพเคยทดสอบถึงขนาดเนะี่ยตอนนั้นนึกว่าได้พระอนาคานะตอนเป็นโยมนะขนาดเป็นโยมเนี่คิดว่าพระอนาคาวะ ไปยืมหนังสือโปของเพื่อนมาอา่านถ้ายคุคนี้เขาว่าในอินเทอร์เนต็ตก็มีใช่ไหมไม่ต้องไปยืมเนี่สมัยนั้นไม่มีหรอกอินเทอร์เนต็ตนะคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเลยเพื่อนคนเนี้มันมีหนังสือโปมากมันชวนหลวงพ่อดูมานานหลวงพ่อไม่ดูเข้าแต่วัดนะวันนั้นเราก็ไปยืมมันมันน่ดีใจมากเลยปลื้มปิติโอ้โหมันก็พวกเดียวกันละวะในที่สุดตะบะแตกแล้วไปยืมมานั่งดูเอามาดูที่บ้านนะเฉยใจนี่เฉยเลย เอาไปคืนขอเล่มใหม่มาดูอีกนะมันนับลื้มมากเลยมีเป็นตู้เลยสุดท้ายดูอยู่อาทิตย์หนึ่งนะใจมันก็เพิ่มขึ้นมาผู้ผู้หญิงคนนี้สวยใจก็เพิ่มขึ้นมาใจก็เพิ่มปุ๊บดีใจนะไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เนี่ยทดสอบนะวิธีทดสอบของหลวงพ่อนะโหดมากเลยเนะพราะเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์เราต้องสังเกตกิเลสตัวเอง ไปส่งกันบ้านหลวงุู่เทศนะท่านกระชมเลยนะว่าดีฉลาดท่านหัวเรอ้อนหลงปเทศหัวเราอหลวงปูดุลไปส่งอีกทีหนึ่งหลวงพุดุลไม่เคยหัวเราอนหลวงปูดุลท่านจะหน้าตาเฉยเฉยนานๆจะหัวเราอทีหนึ่งนะแต่ว่าไปเล่าให้ท่านฟังแล้วเออดีแล้วที่ไม่เชื่อมันจะตายหลวงปูดุลจะอย่างนั้นไม่มีโอโลมปฏิโลมไม่มีนะมีแต่ฟันเปรี้ยงเปรี้ยงเปรียงเลยนะถ้าหลวงุู่เทศเนี่ยจะค่อยๆประหนี่ค่อยๆอะไ มบางคยได้ชอบไปนั่งตาลอยใส่ท่านนะักลืมมาคืนไปตาลอยใส่หลวงปู่ดูลนึคมท่านคงเดินหนีไปะท่านไม่เอางันเวลาเราวัดกิเลสนะวัดตอนที่ใจเป็นปกติวัดตอนที่ใจเราธรรมดาธรรมดายเปรมานยาว่างๆอยู่แล้วไปดูกิเลสไม่มีให้ดูหรอกก็คิดว่าบารรลุมรรคผลชันนั้นชั้นนี้นะอ่ะวันนี้เทศแค่นี้ก็พอลนะเทศตัต้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลแล้วนี่นะจะเอาถึงนิพพานไหม เอาให้ได้มาผลกับเรานิพพานก็ ว, ว่ากันทีหลังนิพพานนะโสดาก็ไม่แจ้งนะไม่แจ้งพระนิพพานสัคตะคาพระนาคาก็ยังไม่แจมแจ้งเราเนาะเพราะนานกันากนานครูบาอาจารย์ก็สอนมานะเอาไว้พวกเราได้เยอะๆเราเดี๋ยวค่อยบอกนะอะส่งกันบ้านแล้วนักสการ์คารถถ่องอยากได้รับความเมตตาแนะนําค่ะคือเอพยายามดูจิตนะคะ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 มันจะคลายลงไปเมื่อเมื่อเหมือนกับว่าเราคิดเรื่องอื่นแต่เรามีความสังเกตว่าไอ้ความกับเพื่อมแบบที่อยากหรือไม่อยากแบบเนี้ยมันจะตกตะกอนอยู่ในใจเราแล้วมันนอกจากแสดงตัวออกมาตอนที่เราเผลอแล้วมันจะทําให้เราเกิดกรรมอะคกายกรรมหรือว่าจีกรรมสูซ้ซึ่งตรงนั้นหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราผิดศีลได้อะค่ะแต่ทีนี้มันไม่มีกําลังคอที่จะทําให้มันไม่มีไอ้วรจีกรรมแบบนั้นนะคะให้ดูบ่อยๆนะถ้าเห็นได้อย่างนั้นแหละดีแล้วมันทุกอย่างมันออกมาจากที่นี่แหละ ก็ไหวขึ้นมาอย่างนี้นะ้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์่ะก็ผุดขึ้นมาจากตรงนี้สุขทุกข์ทางใจนะสุขทุกข์ทางกายมันก็ไปอยู่ตามกายแต่ถ้าทางใจก็ผุดขึ้นที่นี้นะ้เราก็ดูไม่ใช่เพื่อว่าไม่ให้กระเพื่อมนะไม่เฉพาะแค่อยากแล้วกระเพื่อมนะแค่กระพริบตาพอกระเพื่อมแล้วละ่ะแค่กระดุกระดิก น, นิดเดียวก็กระเพิ่มแล้วละก็คือเมื่อไร่มีการกระทบเมื่อนั้นก็กระเถือนกระเพื่อมขึ้นมา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 ตรงนี้ค่ะอยากได้รับความกรุณาแนะนําค่ะเรื่องความสงบเนี่ยค่ะคือคือพอทําแล้วนะคะถ้ามันไม่ฟุ้งมันก็หลับอล้ค่ะมันเลยทําให้จิตเราไม่มีแรงนะคะคนที่ฟุ้งมากเนี่ยเวลามาทําสมาธแล้วมันจะหลับเป็นธรรมชาตินะงั้นเราพยายามซอยเวลาของการปฏิบัติให้สั้นๆชั่วโมงหนึ่งห้านาทีอะไรเงี้คยค่อยๆเก็บเก็บก็บถ้าไปรวมฟุ้งไว้เต็มวันแล้วนะไป ท, ทําทีเดียวหลับเลย ถ้าเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยใจจะมีกำลังขึ้นมาอย่างนี้ใกล้ๆกับฟ้าพอจะแยกกายแยกใจได้บ้างแล้วแยกแอยู่ะะแยกอยู่นะแต่ใจไม่เข้าบ้านแนัมอยู่ข้างนอกดูออกไหมค่ะ <fid get S 2> ใช่ค่ะดูดูแล้วก็ไม่เป็นไรหรอก ข, ข, ขอพบพระคุณค่ะกาักษ า, าการหลวงพ่อครับก็เป็นการส่งคันบ้านครั้งแรกครับก็ฟังซีดีมาประมาณสองปีครับ ก็สิ่งที่ปฏิบัติมาก็ปฏิบัติตามรูปแบบบ้างกับในตอนกลางคืนก่อนนอนครับหลังจากนั้นก็จะในประจําวันก็จะดูอิทธิพลย่อยบ้างครับแล้วก็ดูสิ่งอารมณ์ที่มากระทบอยู่เรื่อยๆครับก็อยากจะกลับเรียนถามบอกว่าที่ทํามานนั้นถูกต้องหรือไม่ครับถูกแล้วนะฝึกไปเรื่อยสะสมไปอย่างนี้เพียงมากไปครับถ้าเราพอวนาแล้ว ร, รู้สึกอึดอนะัดแสดงว่าเราจงใจ จงใจแล้วก็เพง่งให้รู้ทันใจที่มันโลภถ้ารู้ทันมันจะคลายออกไม่เพง่งบางีเพง่งจนคอเคล็ดนะแล้วเพ่งแล้วร่างกายเกร็งไปด้วยแล้วก็ทาความรู้สึกเข้าไปจะไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเราเนี่ยไล่ไปมันเกร็งอยู่ที่คอ ล, ลงมาที่คอแล้วทําใจสบายให้มันผ่อนคลาย ล, ลงไปตรงไหนไล่ขึ้นแล้ร่างกายก็ไม่เกร็งทางจิตใจก็ใช้วิธีรู้เอาว่ามันเกร็ง กะค่อยกลออกซะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะขันด้วแยกแล้วละแต่ว่าวันนี้มันตื่นเต้นมากบริเพีงเยงแรงครับตื่นเต้นมากครับก็ที่ทํามาถูกต้องแล้วนะครั บ, รบอยากขอการว่านหลงพ่อครับแล้วก็เจตนินทะรู้รู้ทันจิตไปครับจิตเคลื่อนไปก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้แต่ไม่รักษาอย่างนี้รักษานะครับอย่างนี้รักษาไม่รักษาจิตเคลื่อนแล้วรู้ไปครับ ครับพอหลวงพ่ อ, พ อ, พ อ, พอในมัดการค่ะหลวงพ่อก็หนูไม่แน่ใจว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าค่ะในชีวิตประจำวันก็ใช้วิธีดูจิตแต่ว่ามันจะรู้สึกตัวเฉพาะเวลาที่เวลามีโทสะเกิดหรือเวลามี อ, อความหลงเกิดแต่ตอนที่มันหายไปเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวตอนหายไปตอนหลงนะตอนนั้นละเราหลงมันก็เลยหายไป ตอนที่โทสะเกิดทำํำไมเห็นง่ายโทสะเป็นของที่ดูง่ายที่สุดนะโทสะเนี่ยดูง่ายที่สุดเว่าเป็นของหยาบที่สุดนั้นปกติเวลาเราดูจิต ด, ดูใจเนี่ยตัวแรกๆที่จะเห็นก็คือโทสะราคาละเอียดขึ้นไปโมหายากที่สุดโมหาเนี่ยใจมันเคลื่อนไปไหลมันฟุ้งไปดูยากแล้วหนูต้องเห็นตอนที่มันหายไ ป, ไปด้วยไหมคะ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 ใจเราดิ้นรนใจมันหิวโหยความดีมันก็ดิ้นรนแล้วดิ้นรนใจก็อึดอัดหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มไหมคะเพราะว่าลืมการปฏิบัติก่อนลืมไปลืมซิลืมเนี่ยใช้ใจอย่างนี้นะใจอย่างนี้ยพอดีมากกว่าเนี้ยเกินจริงแล้วเนี่ยคือใจที่เป็นผู้รู้แล่ะแต่ตอนเนี้ยเริ่มเป็นผู้เพ่งแล้วรู้สึกไหมค่อยๆไปรวบรวบรว บ, รวบเข้ามา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 งั้นเวลาที่จิตล็อกเนี่ยทําไงต้องแก้อย่างไรไปแก่ไปทํำไม่ลืมมันไปเลยไปกระทบอารมณ์อาใหม่ง่ายกว่ากันเยอะเลยขอบคุณค่ะของหนูมีปัญหาคือหนูพยายามจะแก้มันหนูไม่ต้องแก้แ ล, ลืมไปแล้ว ร, รู้สึกตัวอาใหม่เอาว่ามาปะกาศนรมรสรานค่ะหลวงพ่อคะมาจากอเมริกาหรอใช่คะ่ะท่านก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ อ, อีกครั้งพ่อน่าเก่งขึ้นมากแล้วล่ะค่ะก็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 เสร็จปั๊บเราจับได้ทันทีว่าความโกรธเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวแม่แม่จะไปดูแลจังนั้นเดี๋ยวไปถวายอาหารเพนกับพระท่านก่อนหลังจากนั้นก็ถวายเพนเสร็จแล้วก็ทานอาหารร่วมทานอาหารกับเ พ, พื่อนๆที่ไปด้วยกันเพลินได้เห็นคุณป้าคนนั้นพอดีที่ในในออฟฟิศงานก็เข้าไปกราบมีพระท่านนั่งอยู่ก็เลยขอกราบขอขมาว่า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 รู้สึกสว่างแล้วก็รู้สึกว่าทราบซึ้งว่าถ้าเราไม่ได้มาเดินเอาเอากายเอาใจเรามาในทางนี้เราก็คงจะไม่มีวันนี้ค่ะเพรา อ, อ, อก็ส่งกันบ้างเท่านี้ละค่ะดีแล้วละาวนาไปสู่แล้วกราบขอบพระคุณค่ะแต่ถ้าใจไม่ถึงฐานก็รู้เอานะ<อ>ตัวตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวปัญหาหลักตัวหนึ่งพอเราแยกธาตุแยกขันได้เจริญมิปสนาได้เนะี่ย ถ้าสมาธิไม่พอจิตเคลื่อนออกไปมันจะเป็นวิปัสสนูจะสบายโล่งว่างไปถ้ามันออกข้างนอกเราก็ย้อนกลับเข้ามารู้สึกในร่างกายถคาเข้ามาแล้วก็ใช้ได้นะต่ อ, อไปนักสักการครับหลวงพ่อครับไม่เคยสมการบ้าน ม, มาครั้งแรกครับอครั้งแรกที่ที่เห็นก็คือว่านั่งฟังซีดีของหลวงพ่ออยู่ในรถแล้วสภาก็เห็นแบบโกรธ เลยก็ลงไฟก็ลุกขึ้นมาจากกลางโบกก็ดับอออีนี้ก็เลยนาตอนนั้นก็เห็นกันว่าเออมันเกิดขึ้นเองดับได้เองอย่างนั้นก็ชีวิตก็เปลี่ยนครับก็ออตามดูตามดูมาเรื่อยๆแต่ทีนี้มีข้อสงสัยคือคือตัวเองเขาได้ว่าเป็นคนคิดมากก็พยายามจะดูจิตไปเรื่อยๆนะแต่บางครั้งหลายๆครั้งที่แบบว่าพอเปลี่ยนท่าเดินหรือว่านั่งนั่งก็เหมือนรู้ขึ้นมาเองเหมือนกัน อะไรนะมันถึงว่ารู้เหมือนก็ ร, รู้รู้ว่ามีสติรู้ขึ้นมาเองว่าสุดเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่เะง ร, รู้เองเลยทีนี้เคยฟังเสีดีของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าพยายามหากรมฐานหรือว่าหาอะไรสักอย่างเช่นดูจิตก็ดูจิตดูกายก็ดูกายไม่ควรจะสับไปสับมาไม่งั้นจะเนิ่นช้าก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะดูจิตหรือดูกายดีคือไม่ใช่ว่าห้ามดูจิตแล้วห้ามดูกายนะหมืายเึอตัวไหนมันเด่นชัดน่ะ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 นะมันอยากรู้อยากเห็นมากไปนะดูไปตามสบายสบายจริงจังไปกราบนมัสการขหลวงพ่ อ, อเ อ, อหนูปฏิบัติที่บ้านมาประมาณหนึ่งปีค่ะโดยการดูนั่งสมาธิแล้วก็ดูท้องพองยุบอะค่ะแต่ว่าพักหลังมานี่คือหนูก็เพิ่มด้วยการ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 ทำถูกแล้วนะใช้ได้แล้วลนะ่ะถูกเป๊ะๆ เ, เลยนำ้ำมาสกัดหลอเจ้าค่ะหนูเพิ่งได้รูบฟังซีดีมาสองสมเดือนนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝึกปฏิบัติดูสภาวะจิตนะคะก็จะเห็นตอนที่เรามีอะไรมากระทบเรารู้สึกโมโหอะคะ่ะพอ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 สติทันก็ดีสติไม่ทันก็สติแตกแล้วเท่านั้นแหละธรรมดาแต่ค่อยๆฝึกไปค่อตามรู้ตามดูนุสังเกตไปอย่างนะเวลาเราโกรธทีไรใจมันทุกเนี่ยต่อไปเวลาโกรธเนี่ยไม่ต้องไปดูคนอื่นให้ดูใจของเราเนี่ยใมกําลังทุกข์อยู่ดูอย่างนี้นะใจมัไม่เอาเรื่องกับคนอื่นหรอกเพราะตัวเองกําลังแย่ละเพราะว่าเวลาเวลารู้สึกก็คือมันจะรู้สึกแน่นๆอยู่ตรงหน้าอกนั่นแหล ะ, ะดูไปนะตัวเองทุกข์แล้วค่ะย้อนมาดูตัวเอง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 คล้ายๆอยู่ในบ้านดีๆก็เห็นรถขยาผ่านหน้าบ้านกูวิ่งไปลากขยะเข้าบ้านเลบ้านก็ต้องเหม็นหน่อยละถ้าอย่างนั้นก็คือสมมุติว่าถ้าหนูรู้สึกว่าพอหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนใจเริ่มร้อนแล้วอย่างก็คือควรแผ่เมตตาแล้วก็พุทธโธอย่างเงี้ยถ้าแผ่เมตตาพุทธโธก็คือเราใช้สมถะมาช่วยนะถ้ามันไม่ไหวก็ใช้สมถะถ้ายัางไหวแล้วก็ดูไปนี่มันทุกข์อีกแล้วดูดูทุกข์ไปเรื่อย หลุดทีไรก็ทุกทุกทีไปดูกรับนำ้ำมศการหลวงพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้ออหายใจสั้นพอหายใจสั้นรู้สึกที่ไปจมูกส่วนใหญ่จะรู้ตอนหายใจออกเราก็รู้สึกตัวแต่ว่าเวลาที่มันเห็นนะ่มันเหมือนอยู่ป้ายเมฆเหมือนมีหมอกแล้วก็เห็นแล้วมันก็ไม่ขาดคำนี้ก็เลยปรับเป็นหายใจลึกขึ้นให้ให้มันหลุดอยู่ที่อก พอหายใจอยู่ที่อกแล้วเนี่ยเหมือนเห็นชัดขึ้นมากเหมือนเห็นฟ้าใสๆอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแต่ว่ามันจะหลงนานอืมไม่ยังยังยังยังเห็นไม่เร็วเท่าตอนแรกอะคะ่ะหลวงพ่อหายใจยาวไว้ก่อนก็ได้นะพระเจ้าสอนก็สอนหายใจยาวก่อนหายใจยาวนะใจมันจะสว่างสวัยขึ้นมานะไม่มืดไม่มัวมหายใจแล้วก็ลมมันจะค่อยๆสั้นขึ้นตอนที่ใจเราสงบเนียลมจะสั้นสๆ้นสน แต่พวกใจร้อนจะหายใจฟึดฟๆดฟึดฟึดฟึงันมันใจร้อนเหรอใจสบายใจยาวๆแล้วบางทีก็พอหายใจลึกขึ้นมันก็แวบหนึ่งมันก็กลับมาที่ปลายจมูกอีกละมันชินแต่ว่าถ้าใจมันสงบนะแล้วมาอยู่จ ม, มูกเราก็รู้เน้อ ร, ร, รู้ตัวอยู่ก็ใช้ได้น ะ, อ, ะอย่างหลวงพ่อหายใจพุ๊บก็เข้ามาจ ม, มูกแล้วแล<อ>้วมันชำนานขึ้นอะ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 ก็ส่วนมากเวลาเวลาปฏิบัติหลายครั้งก็จะรู้สึกว่ามีแต่เพง่งกับกับล ห, หลงแล้วก็เพง่งนะแต่ตอนที่หลงนะแล้วตรงที่รู้ว่าหลงตรง น, นั้นรู้พอรู้เสร็จแล้วจะกลับมาเพ่งอัตโนมัติเป็นทุกคนเลยอย่างตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกตัวได้สบายดีขนาดนี้เหร อ, อขนาดนี้เพ่งอยู่เพ่งอยู่ใช่ไหยคะใช่ มันยังมีน้ำหนักอยนะู่นะถ้ามีน้ำหนักนะสักนิดหนึ่งก็แสดงว่าเพ่งขอบคุณค่ะกล่าวสักการหลวงพ่อนะครับามาส่งกับบ้านครั้งแรกนะครับอยากให้คุณพ่อหลวงพ่อช่วยพิจรารณาให้จันบ้านหน่อยครับ<ม>คือเคยปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กถูกบังคับให้สุดมนต์นั่งสมาธิวันละห้านาทแีแล้วก็ทิ้งมาสิบกว่าปีเพราะว่ามไม่เห็นความสาคัญตอนนี้ พอตัวเองเจอทุกก็กลับมาปฏิบัติตอนนี้พยายามปฏิบัติจริงจังได้เดือนหนึ่งแล้วครับสังเกตไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายนะมันมาแล้วก็ไปสึมันไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเ้านะคะรับร่างกายก็เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเ้าขัานมันเริ่าแยกแล้นะนั่นมันต้องเคยทำํำวิธีชาติก่อนๆด้วยมันถึงง่าย นี่จะต่อยอดจากตัวนี้นะก็คือดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานไปไม่บังคับสังเกตไหมจิตนี้ไปคิดได้เองใช่ไหมดูมันหนีเป็นก็รู้พอรู้ขึ้นมาแนละ้วแล้วก็มันมีความรู้สึกอย่างอื่นสุขทุกขด์ดีชั่วอะไรขึ้นมาเราก็ดูไปเราก็จะเห็นว่าสุขทุกขด์ดีชั่วเขาไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นสิ่งที่อยู่ต่างหากจิตเป็นคนไปเห็นเข้าทุกอย่างมาแล้วก็ไป จิตเองเข้ามาแล้วก็ไปคือจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็หายไปเป็นจิตผู้คิดอนะไย่างงี้ยทุกอย่างเกิดดับหมดเลยทั้งอารมณ์ก็เกิดดับทั้งจิตก็เกิดดับตัวอย่างนี้เรื่อยไปเคยมีนั่งสมาธิเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับเป็นเป็นครั้งแรกที่เจอสภาวะที่ว่าอผมดูลมนะครับเมื่อก่อนพูดโทมาตลอดแต่ว่าหลังๆมารู้สึกดูลมแล้วมันสงบกว่าก็ดูลมแล้วคราวนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลมหายใจมันสั้นความรู้สึกเหลือแต่ลมหายใจละ กายมันหายไปหมดเลยแล้วก็อนกับพยายามดึงสติกับมารู้กายพยายามไม่ไม่ลืมกายนะครับแล้วจริงต้องไม่ลืมตัวไม่ไม่ทิ้งกายไปกายไม่สำคัญสำคัญที่ใจแล้วอย่างนั้นไม่ถูกป่ะครับอย่างนั้นน่มันจะถ่วงเอาไว้จะเข้าสมาธิลึกๆไม่ได้ไปห่วงกายมากไปจุดสำคัญคือไม่ให้ขาดสติเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยเราไม่รักษาไว้แล้วกรทั่งร่างกายจะหายไปหมดเลยนะ ไม่มีร่างกายเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวก็ไม่ขาดสติเห็นไหมดีที่สุดเลยงั้นถ้าร่างกายจะหายก็อย่าไปฝืนอย่าไปต้านไม้หายก็หายไปแต่อย่าให้หลับในไปเลยลืมตัวเองไปเลยถ้าถ้าร่างกายหายไปเลยนะแล้วก็เหลือสติรู้ตัวอยู่ไม่มีร่างกายไม่คิดไม่เลือกอะไรพอถอยออกมามีร่างกายเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเนี่ยขาดจะแยกนะกายกนะับใจจะแยกขาดจากการไม่รวมกันนะ แต่ว่าเอาคุณทํามาใช้ได้นะไม่เสียหลายหรอกขันมันแยงได้แล้วละเดี๋ยววันนี้มีพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเข้าพรรษาจะกล่าวคําถวายทานแล้วก็ขอขมาไปด้วยในกล่าวเดียวกันนะครับขอเชิญทุกท่านทั้งจิตน้อมตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายาธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้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 ทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายในการต่อไปเทินเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปะมะชิตวาปัจชาโซนปะปมะชติโซมังโลกังปพาเซติอภามุตโตวจันติมายัสสะปะปังกตังกั ม, มังกูสเลนาปะฮีติโซมังโลกังปพาเซติอัพามุตโตวจันติมา อาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรมาวัันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังสาธุภาวนากันนะตั้งอกตั้งใจวันคืนผ่านไปรวดเร็วมาก